ได้มานั่งคุยกันเสวนากันเพื่อหาแนวทางที่จะได้มีการปฏิบัติหรือมีการดาเนินการคล้ายคลึงกันในยามที่ทุกๆฝ่ายก็เห็นว่าภัยต่างๆนี้มากมายแต่ละหลายฝ่ายก็ได้แต่ปรารบอยู่ในวงกลุ่มเล็กๆกระผมอยากจะกราบเรียนพระคุณเจ้าว่าในเรื่องนี้พระคุณเจ้าจะมีแนวคิดแนะนาว่าทาอย่างไรจะให้องค์กรพุทธทั้งหลายที่มีอยู่มากมายนี้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 ที่จะรวมทั้งสมองสติปัญญาจากพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายและก็ทางฝ่ายคารวา ด, ด้วยที่จะมาช่วยกันกำหนดโชคชะตาทิศทางของพระพุทธศา ส, สนาในประเทศก็มีอยู่สองประเด็นที่พวกกระผมเคยคุยๆกันนะครับอันหนึ่งคือคล้ายๆองค์กรกลางของกลุ่มชาพุทธอันที่สองก็คือลักษณะของสมัชชาชาพุทธทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคารวะ กราบขอความเมตตาช่วยกรุณาให้ความเห็นด้วยครับเจริญพร อ, อันนี้ที่จริงอัตมาภาพคิดจะพูดเหมือนกันคือชาวพูดนี้ไม่รู้จักรวมตัวกันนับว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งเป็นภ า, ภายในเหมือนกันเราไม่เคยกับการทำงานแบบนี้จนกลายเป็นความบวกพร่องที่สำคัญความอยู่สบายก็เป็นเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ไม่รู้จักรวมตัวเวลามีภัยอันตรายขึ้นมาจึงจะรวมตัวกันได้ทีหนึ่งอย่างในประวัติศาสตร์เวลาถูกต่างประเทศยกกองทัพมารุกรานคนไทยก็จะรวมตัวกันได้ทีหนึ่งคือพากันลุกขึ้นต่อสู้ศัตรูแต่พอศัตรูกลับไปแล้วก็ทะเลาะกันเองต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นมาเรื่อย ทำอย่างไรเราจะรวมตัวกันได้และเดินหน้าต่อทั้งยาพีภัยอันตรายที่มองเห็นและยาพีภัยอันตรายชนิดมองไม่เห็นเพราะพภัยอันตรายนั้นมีสองชนิดนอกจากแยกเป็นพภัยภายนอกกับพภัยภายในแล้วก็คือพภัยที่มองเห็นกับภัยที่มองไม่เห็นทีนี้พภัยที่มองไม่เห็นนี้มันมีตลอดเวลาเราจึงต้องไม่ประมาท